การปฏิบัติต้องตั้งใจและพยายามถ้าอยากปฏิบัติให้ท่านมาหาพยายามอย่าคิดให้มากถ้าจะนั่งสมาธิแล้วอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หยุดดีกว่าเวลานั่งสงบจะนึกว่าใช่อันนั้นไหมใช่อันนี้ไหมหยุดเอาความรู้ปริยัตใส่หยีบใส่หออว้เีย อย่าเอามาพูดไม่ใช่ความรู้พวกนั้นจะเข้ามาอยู่นี่หรอกมันพวกใหม่เวลาเป็นขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราเขียนตัวหนังสือว่าความโลภเวลามันเกิดในใจไม่เหมือนตัวหนังสือเวลาโกรธก็เหมือนกันเขียนใส่กระดานดำเป็นอย่างหนึ่งมันเป็นตัวอักษรเวลามันเกิดในใจอ่านอะไรไม่ทันหรอกมันเป็นขึ้นมาที่ใจเลย สำคัญนักสำคัญมากปริยัตยิเขียนไว้ก็ถูกอยู่แต่ต้องโอปัญยิโกให้เป็นคนน้อมถ้าไม่น้อมก็ไม่รู้จักจริงๆมันไม่เห็นอันตมา ก, ก็เหมือนกันมีได้ศึกษาเล่าเรียนมากเคยสอบปริยัตยิธรรมมีโอกาสได้ไปฟังครูบาอาจารย์เทศให้ฟังจนจะเกิดความประมาท ฟังเทศไม่เป็นพวกพระกรรมฐานพระทุดงเนี่ยไม่รู้พูดอย่างไรพูดเหมือนกับมีตัวมีตนจริงๆ จ, จะไล่เอาจริงๆต่อมาค่อยทำไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปจึงเห็นจริงตามที่ท่านสอนท่านเทศให้ฟังก็รู้เป็นเห็นตามมันเป็นอยู่ในใจของเรานี่เองต่อไปนานๆจึงรู้ว่ามันก็ล้วนแต่ท่านเห็นมาแล้วท่านเอามาพูดให้ฟัง ไม่ใช่ว่าท่านพูดตามตำราท่านพูดตามความรู้ความเห็นจากใจให้ฟังเราเดินตามก็ไปพบที่ท่านพูดไว้หมดทุกอย่างจึงนึกว่ามันถูกแล้วนี่จะยังไหนอีกเอาเท่านี้ลหละอัตมาจึงปฏิบัติต่ตอไป